ข้ามกลผู้คนมากมายหลากหลายเธอมีเพียงร่างกายตั้งอยู่กลิ่นทุชุดดำดอกไม้รอกายของเธอรูปเธอรอยยิ้มภาพครั้งสุดท้ายเกิดมา เพื่ออะไรทำไมไม่รู้เธอจะลองคิดดูบ้างหรือเปล่าชาติหนึ่งชาติเดียวชาตินี้ชาติหน้ามีไหมหากมีแล้วทำยังไงทำไมเตรียมตัวเธอต้องจากกันไป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 เธอต้องจากกันไปโดยไม่รู้ไม่เห็นไม่อ่านความจริงที่ซืบทอดบอกไว้ลับตัวไม่ได้หลับใจไม่ทันคุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นเธอปล่อ ย, ยมันไปไเธอคิดชีวิตต้องอยู่อีกยาวไลเสียดายคนตา ย, ยเธอ ทงที่ท่าน